ในมงคลสูงสุดเป็นว่าไว้ว่าสมนานันจะดัสมันานจะดัสนั่งเยตัมมังเระมุตตะมังมการเห็นสมณะผู้สงบกายวายาใจเป็นมงคลอันสูงสุด นั่นท่านพูดหรือท่านสอนในทั่วๆไปหมายถึงสมณะจะเพศนักบวชผู้สังรวมระวังตนเกี่ยวข้องกับโทษกับคุณคือบุญและบาปเป็นผู้ระมัด ร, ระวงัง มีกายวาจาสงบจากบาปทั้งนั้นกายแสดงออกทางความประพฤติก็ไม่มีบาปพูดออกมาทางวาจาก็ไม่เป็นบาปคิดออกมาทางใจก็ไม่เป็นบาปเรียกว่าสมณะท่านผู้ทรงความประพฤติไม่ด้วยความบริสุทธิ์ทั้งสามถวาวรคือกายวาจาใจนี่แหละ เป็นส ม, มณะอุตมาเห็นส ม, มณะเหล่านี้ว่าเป็นมงคลสูงสุดขันกาอย่างนั้นก็แสดงว่าส ม, มณะมีหลายประเภทแต่ไม่พูดไปให้เสียเวลาจะพูดเฉพาะเรื่องส ม, มณะทำที่ยัง ผู้ที่โลกเขาสมมติว่าเป็นสมณะนั้นคือทาเช่นไรในธรรมท่านกล่าวไว้ว่ามีสี่ประเภทธรรมที่สมณะผู้ปฏิบัติตนด้วยความสะอาดทางกาวาจาใจจะพึงได้รับไม่แก่ ทัศโซดาปฏิมาโซดาปฏิผลเป็นสมณะที่หนึ่งสกิทาคาร์มาักสกิทาคาผลนี่เป็นสมณะที่สองอนาคามีมักอนาคามีผลนี่เป็นสมณะที่สามและอรหัตมักอรหัตผลอันเป็นสมณะที่สสุดยอด สมณะคือทาเป็นเครื่องยังผู้ปฏิบัติตามนั้นจะพึงได้รับมีสี่ประเภทนี้ผู้ใดมีธรรมเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไปถึงสมณะที่สุดเรียกว่าเป็นผู้มีสมณะเป็นชั้นๆของสมณะ พวกเรามุ่งหน้ามาปฏิบัติเพื่อความเป็นสมณะในธรรมเหล่านี้หรือด้วยธรรมเหล่านี้จึงต้องมีอกกับกิริยาความเคลื่อนไหวนับตั้งแต่ทางด้านจิตใจออกมาถึงวาจาถึงกายผิดแปลกจากโลกอยู่มากมายในอยาบททั้งสี่จะพึงเป็นผู้มีความะระมัดระวัง ิ่งที่จะแทรกเข้ามาอันไม่เป็นประโยชน์นั้นไม่ให้เกิดขึ้นโดยการต้านทานการสังวงระวังอยู่เสมอไม่ได้เลือกกิริยาบทตใดเว้นแต่หลับที่สุขวิสัยเสียเท่านั้นนองนั้นเป็นกิริยาท่าทางที่ะระมัดระวังและส่งเสริมคุณธรรม นี้ขึ้นในตัวด้วยปฏิการปฏิบัติทางด้านจิตตภาวนาสมณะนี้ไม่อยู่ที่อื่นใดนอกเหนือไปจากใจจะเป็นผู้ครองหรือใจเป็นภาชนะสมณะทั้งหลายเหล่านี้เท่านั้นอย่างอื่นไม่มีไม่สามารถที่จะเป็นภาชนะไม่สามารถที่จะ สัมผัสรับรู้และไม่เป็นผู้ควรแก่ทาเหล่านี้ได้เลยนอกจากใจดวงเดียวนี้ใจนี้ถึงเป็นสิ่งสำคัญซึ่งเวลานี้กำลังเต็มไปด้วยของศกปลกโซมงอันไม่ผึนปราถนาทั้งหลายของนักปราท่านมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นแต่ปุถุชนทั้งหลายชอบนักชอบหนา ในบรรดาของสบโปรกเหล่านี้ที่ให้นามว่ากิเลสประเภทต่างๆนับแต่ความโกรธโกรธหลงราคะตัณหาอันเป็นกิเลสสำคัญสาคัญไม่นอกเหนือไปจากที่นี่เลยเพราะฉะนั้นใจจึงเป็นภาชนะรับสิ่งเหล่านี้ไว้ก่อนทมทั้งหลายในการที่จะบรรจุทม สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สีเข้าสู่ใจจึงต้องชำรนะซักฟอกลึ้นล้างจิตใจกายวาจาของตนซึ่งเป็นเครื่องมือให้สะอาดเข้าไปโดยลำหนับจนกระทั่งถึงขั้นสะอาดสูงสุดก็ได้แก่สมณะที่สี่เมื่อจิตสะอาดเต็มที่แล้วก็เป็นสมณะที่สี่ขึ้นมาสะอาดเพียงขั้นหนึ่งก็เป็นสมณะที่หนึ่งสะอาด โดยลำดับก็เป็นสำนาที่สองที่สามขึ้นมาด้วยการระมัดระวังไม่ให้จิตใจแสบไปสู่จิ้งสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อธรรมแล้วพยายามบำรุงรักษาจิตใจของตนด้วยกิตตภาวนาอย่าให้มีวันมีคืนมีปีมีเดือน ยาคาดยาหมายการนั้นเวลานี้ในการประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสิ่งโสกปกทั้งหลายอยู่ภายในจิตใจเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่มีการมีเวลามันติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลาการที่จะการที่เราประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระสสารสิ่งนี้ถ้าจะหาแต่เว ล, า, เวลาแล้วก็ไม่ทันกับสิ่งที่ไม่มีเวลาที่ติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลานี้ จะแพ้สิ่เหล่านี้เรื่อยไปฉะงนั้นความเพียรมีเท่าไหร่สติกําลังหรือสติปัญญามีมากน้อยเพียงไรต้องทุ่มเทกันวงทางความเพียรเพื่อจะกําจัดปัดเตาสิ่งไม่ปรุงป่าทั้งนาทั้งหลายเหล่านี้หรือชะล้างสิ่งที่สกโปรกเหล่านี้ให ค่อยจางและหมดไปโดยลำดับจากใจเพื่อใจจะได้เป็นภาชนะอันเหมาะสมแก่ทรรมขั้นนั้นๆต่อไปเนี่ยหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติธรรมาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นก็คือเครื่องมือถ้าพูดฝ่ายเหตุ เป็นเครื่องขุดค้นให้ได้นิ พ, พน์มรุณนิพพานขึ้นมาภายใน จ, ใจิตใจหรือเครื่องมือชะล้างจิงที่โสระรกทั้งหลายส่วนผลก็คือความสงบไปโดยลำดับที่เกิดขึ้นจากการชำระ พระเราจรึงไม่มีงานอันใดที่จะยิ่งไปกว่างานชำระกิเลสประเภทต่างๆในเอียบทนั้นๆตลอดไปถือเป็นกิจกรลักษณะเช่นนี้ผู้จะแก้กิเลสปราบปรามกิเลสให้หมดไปจากใจอย่าหาเวลามเวลาอย่าคิดในแง่ที่เป็นความส่งเสริมของกิเลสที่ตนไม่รู้สึกตัว ใช้ะติปัญญาระมัดระวังความคิดอยู่เสมอว่าความคิดในเนีนี่เป็นไปเพื่อนักเพื่อผลหรือเป็นไปเพื่อกิเลสจมูทยัยพึงระมัดระวังความยากความลําบากเป็นเรื่องของโลกที่เขาพูดกันใน สิ่งที่เขาไม่เคยรู้เคยเห็นในรถชาตที่เขาไม่เคยสัมผัสเช่นการปฏิบัติธรรมแต่งานทางโลกที่เขาชอบอกชอบใจนั้นเขาไม่คิดว่าเป็นความลำบากลาคาญอายุจะสิ้นเปลืองไปมากน้อยเพราะสิ่งที่ชอบใจเ ด, เดินตามลึกค้อยตามสิ่งที่ชอบใจนั้นเขาไม่สนใจแต่พอย้อนเข้ามาสู่อัดสู่ธรรม คือคุณงามความดีที่จะทำตนให้ดีให้เกิดความสุข ค, ความพเพลินนิเรยจะต้องเข้ามากระซิบหรือบอกสอนทันทีว่าเป็นความยากความลำบากเกี่ยวกับไปทางสังขารร่างกายวัยนั่นวันี้เข้ารุบลางไปถึงหน้าที่การงานที่ต้องจัดต้องทำ มันเป็นอุบายวิธีของกิเลสที่จะกั้นกลางหรือปิดทางไม่ให้ดาเนินเพื่อความดีส่วนมากจิงต้องยอมจำกดโดยไม่รู้สึกตัวว่าอุบายเหล่านี้คือความฉลาดแหลมคมของกิเลสเสี่ยมสอนมนุษย์ผู้มีกิเลสอยู่แล้วนั้นให้ออกหรือเล็ดลอดออกไปจากอำนาจของตนเพราะผู้ปฏิบัติธรรมย่อมเป็นผู้ที่จะออกจาก ตรงขังเสมอไปนี่หลักใหญ่นี่เรามาบวชเป็นพระแล้วนิสัยนั้นก็ยังฝังอยู่ภายานใจพอคิดถึงเรื่องจะประกอบความภาคเพียรเพื่อมรกญปนิญพานและในขณะเดียวกันจะคิดถึงเรื่องความลำบากลาบถอายุสังขารหน้าที่การงานอำนาจวาสนา ความเสียดายโลกเสียดายสงสารซึ่งเต็มไปด้วยปา่าช้านี้ว่าเป็นของดีไปเสียหมดสุดท้ายก็ตายกองกันอยู่ในของดีที่ชอบนี่แหละแต่เป็นสิ่งไม่พึงปรารถนาทาไมว่าเป็นของดีแต่ไมันไม่ปรารถนาวินาดูจิพ้นไปไม่ได้โดยเหตุนี้ผู้จะผ่านพ้น หลุมนรกที่มันแผดเผาอยู่ภาณใจิตใจโุดดอนร้อนนี้ออกไปได้จึงมีน้อยนักน้อยหนาเพราะสู้อุบายของกิเลสเชี่ยมสอนและฉุดลากไปไม่ได้ก็ต้องยอมจำนนไปเลยเลยนี่เราก้าวเข้ามาสู่วงแห่งาศาสนธรรมด้วยความเป็นนักบวช เรียกว่าเตรียมพร้อมแล้วทุกอย่างไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องบรรดาเครื่องสนับสนุนเช่นปัจใจสีอีวอนก็เต็มไปหมดเราไม่เคยบกพร่องขาดเผืนเครื่องนุ่งเครื่องห่มบินธบาอาหารการบริโภคอย่าง น, อน้อยพอมีชีวิตจังหัะภาพให้เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งเพื่อได้บาเพ็ญสานาธรรมด้วยความสะดวกสบายยิ่งกว่านั้นก็เหลือเฟือ ที่อยู่ที่อาศัยยิ่งรู้รามากกว่าคารวาสเขาเสียอีกหูถึงยาแก่โรคแกบเจ็บไข้ได้ป่วยก็เต็มไปแล้วอยู่แล้วโลกในองศารเขาให้มาอยู่เสมอเจ็บไข้ได้ป่วยวิ่งไปหาหมอหม อ, อรักษาเ็นความสามารถเฉพาะวัดต่างวัดต่งก็ไม่มีใครเอาเงินค่าอยู่ค่ายาเลย รักษาให้อย่างฟรีๆด้วยน้ําใจที่ศรัทธาของชาวของชาวภูตผู้มีความเลื่อมใสต่อพระและต่อศาสนาอยู่แล้วนั่นมีความลําบากที่ตรงไหนตะกูดถึงเรื่องเครื่องสนับสนุนและทีนี้สติปัญญาศรัทธาความเพียรที่จะเป็นเครื่องสนับสนุนนุความเพียรทังตนในด้านภายในทําไมเราจึงจะผิดขึ้นมาไม่ได้ ความอดทนพระพุทธเจ้าสอนไว้เพื่อใครถ้าไม่สอนไว้เพื่ออันดับหนึ่งก็คือนักบวชผู้นี้จะต้องเป็นผู้ทรงไว้ก่อนอื่นก่อนใครมิริยะความภาคเกียนในทุกแง่ทุกมุมหิทนอกการในความอดความทนความบึกบืนต่อสู้ไปโดยลำหนับ ในอีกการงานที่เห็นมากชอบทําเฉพาะอย่างยิ่งการทำละาศาสางกิเลสสู้อย่างไม่ถอยสติว่ามีอยู่กับตัวะระลึกได้อยู่เสมอเมื่อเราพอใจที่จ ะ, ะระลึกสติเป็นสติอยู่ได้ตลอดเวลาปัญญาเมื่อพยายามคิดค้นขึ้นอยู่เสมอปัญญาจะนอนตัวอยู่ได้อย่างไร ต้องปรากฏขึ้นเป็นบรรดาได้ไปลาดับําดับแล้วปางขวางละเอียดแล้มคมจงสามารถรู้ไปได้ตลอดตัวถึงได้ไม่อับจนถ้านนามาใช้นี่สิ่งเหล่านี้มีใครใครจะเป็นผู้จำเป็นยิ่งกว่าพระพระนี้เป็นผู้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทรงทาทั้งหลายเหล่านี้เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนหรือบุกเบิก ทางเดินของตนเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีใครจะยิ่งไปกว่าพระเพราะเป็นผู้มีโอกาสดูแลโดยสมบูรณ์ในอียบทตรทั้งสี่นตลอดชีวิตของพระด้วยไม่มีใครมายุ่งกวนมาทำลายไม่เหมือนโลกที่ต้องมีหน้าที่นั้นงานนี้ยุ่งไปตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนรทั้งหลับไม่มีเวลาว่างเลยยิ่งเก่งขวัขวายทั้งกิจนอกการไหการไหน แต่พ้าเรามีตแต่เรื่องจะพูปฏิบัติตนเพื่อชำระสะสางหรือปราบตามกิเลสให้มันหมดซาบไปจากใจมี่เท่านั้นเราทำไมจะทำไม่ได้เราอย่ามองมรรคผลนิพพานให้เลยจากความเพียรของเราไปความเพียร น, นั้นแหละคือทางเดินเพื่อมรรคผลนิพพานหรือต้นเหตุที่จะให บรรลุถึงมรรคุนิพพานนับตั้งแต่สัมมนาที่หนึ่งที่สองขึ้นไปจนกระทั่งถึงสัมมนาสุดท้ายได้เกี่ยบอรหัตผลทมพระพุทธเจ้าแสดงไว้อย่างเปิดเผยเราปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้แจ้งเห็นจริงทำไมเราจะพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานอย่างเปิดเผยไม่ได้เพราะทำทั้งมวลแสดงเพื่อมรรคผลนิพพานดูแล้ว การปฏิบัติของเราด้วยความมุ่งมั่นก็เผื่อมักผลนิพพานทำไมจะทำไม่ได้การสถานที่เวลาเวลาไม่ได้สำคัญเพราะถึงนั้นไม่ใช่กิเลสกิเลสจริงๆมันอยู่ที่ใจดูที่ใจนี้อย่าดูที่อื่นงานก็คืองานของใจนี้เป็นสำคัญ งานแก้กิเลสภายในใจั้างพุทธการงานไม่ได้มากมายอะไรเลยมีแต่งานเพื่อชำระกิเลสมากยิ่งกว่างานอื่นใดและงานนี้ถือเป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆของพระข้างพุทธการเราจะเห็นได้จากตำรับตำลา ที่ท่านเขียนไว้เป็นกติเพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้ยึดเป็นทางาำนินตามท่านมีอยู่ทั่วๆวไปใมว่าพระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงพระนวลนมว่าการบำเพ็ญไม่เห็นมีงานอันใดเข้าไปแทรกแซงพระองค์เลยในเวลาหกปีมีแต่งานถอดถอนกิเลสอาสวะโดยลำดับลาดับ จนกระทั่งได้ตรัสรู้เต็มพระไทยนำธรรมที่เรรู้แจ้งทรงรู้แจ้งถึงจริงแล้วนั้นมาสั่งสอนจารโลกปฐมสาวกเราทั้งหลายก่าสามแล้วคือใครก็พวกพระอัญญากนหนงที่เรียกว่าเป็นมิจฉาวะิขีทั้งห้าผู้เดียวรับพระโอาวาทและได้รับมรกผลิพภานก่อนผู้อื่นใด และท่านเหล่านี้ก็ได้บำเพ็ญตัวอยู่แล้วเพื่อทำทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าไม่ทราบวิธีการปฏิบัติวิธีดำเนินเท่านั้นเมื่อได้สะดับตรัสฟังจากพระาวาดของพระพุทธเจ้าที่ทรงแสดงธรรมจักปรปวัตตนสูตรและอรอรถตาักษณ ะ, ะละัคนสูตรเท่านั้นก็บรรลุ สมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่เป็นลำดับไปในไม่ช้าเพราะท่านพร้อมอยู่แล้วชาวบองเหล่านั้นเมื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ได้สนับเพราว่าจากพระองค์แล้วเกิดความเชื่อความลมใจไปบำเพ็ญตนก็คือไปทำงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยการเตินจงกลมบ้างนั่งสมาธิภาวนาบ้าง ในอีระบทต่างๆไม่ลดละในทางความเพียรมีสติเป็นพื้นฐานมีปัญญาเป็นเครื่องวิจารเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งที่มีอยู่ภายในจิตใจว่ามีอะไรบ้างอยู่ที่ไหนท่านก็ต่อสู้กับกิเลดอยู่อย่างนั้นฐานที่อยู่ในครั้งพุทธกาลที่เป็นตัวอย่างมาจนกระทั่งถึง ปัจจุบันนี้คืออะไรก็คือลุกมูลตามร่มไม้ชายเขาตามธรรมเงื่อมผาอันเป็นสถานที่สงัดปราศจากความผูกพันด้วยสิ่งต่างๆในไดบําเพญสมาธรรมคือทำงานเพื่อ <c oughs> รื้อถอนเหตุออกจากใจด้วยความสะดวกสบายหายกังวลในทุกแง่ทุกมุม แต่และองค์ท่านเต็ม อ, อกเต็มใจประพฤติปฏิบัติเพื่ออาจเพื่อทำล้วนไม่มีคำว่าโลกามิตรแฝงอยู่เลยในบรรดาสาวกทั้งหลายที่กำลังดำเนินอยู่นั้นเวลานั้นองค์ไหนก้าวออกจากพระพุทธเจ้าทูลลาพระพุทธเจ้าไปมีตั้งแต่เพื่อบำเพ็ญสมารธรรม อันเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในจิตใจมีความหมายมั่นปั้นมือที่จะให้หลุดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏจักรอันเป็นเครื่องพัดผันจัดลกให้แลกกระจายไปด้วยความทุกข์ความทรมานความเกิดแก่เก็บตายให้หลุด้อยไปจากจิตใจหมดบรรดาเชื้อที่พาให้เป็นทุกข์ทั้งหลาย คำหมักคำเม่นในความภาคความเปลียนอยู่ตามสถานที่ดังกล่าวนี้มาโดยลาดับเพราะฉะนั้นสถานที่เหล่านี้จึงเป็นสถานที่เหมาะสมอยู่ตลอดเวลาสำหรับผู้ต้องการจะรื้อถอนตนออกจากทุกตามแนวทางแห่งาศาสดาและภาษาบกท่านดาเนินมาแล้วและสอนไว้แล้วองค์ไหนก็เป็นอย่างนั้น องนั้นบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ที่นั้นได้บรรลุมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นในถ้ำมังเงือมผามังร่วมไม้ชายเขามังซึ่งวันแล้วตั้งแต่เป็นสถานที่วิเวกังเวงเหมาะสมแก่การบำเพ็ญมาตลอดไปตลอดท่านไม่สนใจใยดีกับสิ่งใดเพราะท่านเคยผ่านมาแล้วประการหนึ่ง เห็นโทษเห็นคุณกันมาเต็มหูเต็มตาเพราะได้เห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูได้สัมผัสสัมพันธ์กับใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อก้าวเข้ามาสู่วงพระศาสนาท่านก็พอใจที่จะคุยปฏิบัติเต็มสติกำลังความสามารถในสถานที่ต่างๆไม่ว่าองค์ใดเมื่อออกไปแล้วดำเงินตนอย่างนั้นไม่คิด เป็นกังวลทางบ้านเรือนที่การงานทรัพย์สมบัติเงินทองครอบหัวลูกหลานญาติมิตรไม่ยุ่งไม่เกี่ยวนีแต่มุ่งหน้าประพฤติปฏิบัติตนเพื่อความดุพ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้นสุดท้ายก็พ้นความทาาเพียนความพยายา ม, ามพยายามของท่านไปไม่ได้ซึ่ง องนั้นบรรลุอยู่ในเขาลูกนั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในป่านั้นองค์นั้นบรรลุอยู่ในถ้ำนั้นเนื่อมผานั้นนั่นแหละจมณะที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่คือบรรลุเป็นลำดับลาดับ<ๆ>เกิดขึ้นแล้วด้วยความเพียรตามแนวของศาสดาที่ทรงสอนไว้แล้วและดาเนนให้ดูเป็นตัวอย่าง นแนวของศาสดาและสาวกที่ดำเนินมานั้นไม่ได้จืดจางหางเหินไปหาเหาินไม่ได้จืดจาง เ, เหินห่างไปจากไหนจากทำที่เราทั้งหลายได้ยินได้ฟังอยู่เวลานี้และไม่ได้เหินห่างไปจากตัวของเราที่ท่านแสดงไว้ทั้งหมดแสดงเรื่องของท่าน เรื่องของท่านกับเรื่องของเราเป็นเหมือนกันทมจึงเป็นทมเหมือนกันเครื่องมือเหมือนกันแกกิเลสของตนด้วยความด้วยเครื่องมืออันเดียวกันนี่จึงเรียกว่ามัชชิมาคือเสมอต้นเสมอปลายเหมาะสมอยู่ตลอดเวลาขอให้ดำเนินตนให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสมเถิด คำว่าํำนาญที่หนึ่งที่สองที่สามนั้นจะไม่มีผู้ใดได้ชมไม่มีผู้ใดเป็นเจ้าของนอกจากผู้ปฏิบัติด้วยความชอบธรรมนั้นเองจะเป็นเจ้าของแต่ละลายละลายไปทำทั้งสี่ประเภทคือํำนาญที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นี้จะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการใดถ้าไม่ใช่วิธีการ ขิตตภาวนาที่เต็มพระความมุตส่าหพยายามความภาคความเปลี่ยนเต็นไปด้วยสติปัญญาของนักปฏิบัติไม่มีอันใดที่จะสามารถบุกเบิกเพื่อทําเหล่านี้ได้เลยเพราะฉะนั้นจึงให้มั่นใจในธรรมที่กล่าวเหล่านี้นําเข้ามาประชิดติด ก, กับใจของเราอย่าให้เหินห่างไปไหนก็ตามอยู่ที่ใดก็ตาม ยาบทต่างๆมีสติเป็นเครื่องรักษาจิตปัญญาเป็นเครื่องไกรกรองอยู่เสมอชื่อว่าผู้นั้นมีความเพียรดีทุกๆอาการที่มีสติปัญญาเครื่องรักษาไม่ว่ายาบทใดนี่คือความเพียรแท้อยู่ตรงนี้ความลำบากเห็นว่าลำบากลำบ่น เป็นทุกข์ทรมานในการประกอบความเพียรความเห็นว่าอํานาจวาจนาน้อยเหล่านี้ไม่ใช่ความเห็นของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แต่เป็นความเห็นของกิเลสซึ่งเป็นข้าศึกต่อธรรมจะชุดลากเราให้หางเหินให้หางเหินจากธรรมเท่านั้นให้พึงระวังเสมอสิ่งเหล่านี้จะกระซิบอยู่เรื่อยๆเพราะเป็นกิเลสจะชุดลากให้เหินหาง จากอัจจากธรรมจากมรรคผลนิพพานเฉพาะ อ, อ, อย่างยิ่งจากสมณะทั้งสี่นั่นแหละที่เราต้องการดังโมกลักษูดท่านแสดงไปแสดงมาที่ไหนถ้าไม่มาที่หัวใจของคนให้เราเห็นตัวเองนีกว่าเราไปเห็นสมณะที่ทันสงบกายวาจาใจภายนอกนั้นนั้นเป็นพื้นฐานหรือเป็น สื่อเป็นทางที่จะให้เกิดสมณะภายในอันจริงจังแท้ก็คือเอาให้เห็นสมณะภายในจนถึงขั้นสมณะที่สี่โดยสมบูรณ์ภายในใจนั่นแหละจะเป็นที่หายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุ ก, ทก ม, มุบรรดาศาสนธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วจะไมมีปัญหาอันใดทั้งสิ้นสาสอนไว้แล้วโดยถูกต้อง ดังที่ว่าสวัสขาโตรพระกวตาทมจัดไว้แล้วโดยชอบทำเลยพระองค์จัดไว้แล้วโดยชอบความรู้ความเห็นของเราต่างหากที่มันไม่ชอบการประพฤติการกระทาการแสดงออกทางกายวาจาใจของเราต่างหากที่เป็นมันไม่ชอบเมื่อมันไม่ชอบแล้วมันก็เป็นฆ่าศิษย์ต่อธรรมมันกลายเป็นฝ่ายขี่เหรดไปเสีย มันเป็นค่าศึกต่อธรรมธรรมจะเกิดขึ้นได้อย่างไรก็เป็นการทำลายธรรมอยู่ในตัวเราต้องระมัดระวังให้ดีเราอยากเห็นเพื่อนฝูงที่มารับการอบรมกับเราและรับภาระในการอบรมสั่งสอนหมู่เพื่อนมานี่ก็เป็นเวลานานสามสิบกว่าปีซะแล้ว พยายามที่สุดเต็มทัวน์ทกำลังความสามารถไม่ให้มีกิจใจได้เหินห่างจากภันดาลูกสิบลูกหาที่มาอบรมมามารับการอบรมสั่งสอนนี่เลยเหล่านี้ท่านทั้งหลายก็ทราบโดเองในกิิยาแห่งการจะแนะออกของผมสอดส่องมองดูกิิยาความเคลื่อนไหวผิดถูกประการใดในฐานะเราเป็นอาจารย์ ลอดถึงการให้อุวาตแนะนาสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ตน้นตนสุดความสามารถที่จะสั่งสอนได้ก็ได้ทุ่มเทลงหมดสติกำลังความสามารถตลอดมาไม่เคยมีการปิดบังลี้ลับในธรรมทั้งหลายนั่นเลยจึงอยากพบอยากเห็นบรรดาเพื่อนฝูงทั้งหลายที่มารับการอบรม ว่าได้ผลอย่างไรบ้างอย่างน้อยก็คือความสงบเย็ยนใจอิกใจมีความสงบก็เป็นผลอิกใจมีความสงบมากน้อยเพียงไรก็เป็นผลมากน้อยเพียงนั้นและมีปัญญาปินิพเจนาในสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งภายนอกภายในตามแต่จริตนิสัยของใครจะหนักไปทางใดถนัด ในแงยย่ใดแห่งการพิจารณาจนมีความรู้แจ้งแทงทะลุไปโดยลําดับลําดับเพราะอํนานาจของปัญญาเราอยากทราบอย่างนี้โดยลําดับแล้สุดท้ายก็อยากจะทราบาความดูดท้นของหมู่เพื่อนเหมือนกันเพราะธรรมที่แสดงมานี้แม้เราเป็นผู้แสดงจะไม่ดูดพ้นก็าตามแต่ก็เดินนาอุบายวิธีการแห่ง การแสดงเพื่อความหยุดพ้นด้วยวิธีการต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้ฟังโดยลำดับมาไม่เคยปิดบังลี้รับเลยหากปฏิบัติตามที่อธิบายมานั้นแน่ใจร้อยเปซน์ว่าจะไม่ออกนอกลู่นอกทางนอกจากจะเข้าสู่จุดที่หมายอันเป็นที่พึงรายอย่างยิ่งนั้นเท่านั้นแต่เรื่องมานั่นสิสำคัญมันอยู่รอบด้าน รอบหัวใจคอยแต่จะฉุดจะลากความคิดความเห็นให้ไปนอกรูนอกทางเดินจงกรมอยู่มันก็ฉุดก็ลากมีแต่การก้าวเดินเหมือนพระตุกตาหาสติปัญญาประคองจิตใจไม่ได้นั่งสมาธิก็เป็นเหมือนหัวต่อแต่ไม่ใช่หัวตอมันมีความรู้อยู่อันหนึ่งที่เลื่อนลอยไปกับกิเลสถุดลากไปหรือเสือคลานไปกับกิเลสที่มันถุดลากไป ยืนก็เป็นยืนแบบเมิอมองแบบไม่มีสติสตังแล้วเมื่อเป็นชนิดก็เรียกว่ามแีแต่เรื่องของกิเลสควบคุมอยู่เหมือนกับผู้ต้องหาเราจะเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมาเมื่อเหตุก็เป็นอย่างนั้นเป็นเรื่องของสมุทัยเสียโดยสิ้นเชิงทัง้งทั้งที่เราเข้าใจว่าเราประกอบความาพากเกี่ยนเรื่องสมุทัยก็คือความลืมตัว ม, มีสติประคับประคองจิตใจต่อยให้กิเลสฉุดลากไปทางความคิดความปรุงต่างๆซึ่งเคยเป็นมาอยู่แล้วอันเป็นเรื่องของกิเลสล้วนๆอยู่แล้วด้วยเป็นไปตามนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วไหนเรื่องมรรคจะเดินได้ที่ไหนสติมีเมื่อไรก็ชื่อว่ามีมรรคปัญญาออกพิณิพิจนาในแง่ใดมากน้อยกว้างแคบหรือระยะสั้นยาวเพียงไหนก็ชื่อว่ามรรคมรรคนี่แหละเป็น ธรรมชาติที่จะยังผลอันพึงใจให้เกิดขึ้นต้องพยายามให้มากให้ระวังมานั้นมนันกิเลสสมานนั้นตัวสำคัญมันบันดาลทุกสิ่งทุกอย่างแม่เราเห็นเนื้อเห็นตัวมันเลยแต่การแสดงออกมีแต่เรื่องของมันเท่านั้ น, นยากที่จะทราบในขั้นเริ่มแรกจึงต้องใช้ความบึกบืน ให้ความอดความทนเต็มที่ึงอย่างน้อยก็ปรากฏเป็นความสงุงกขึ้นมานั่นแหละพอมีทางจะเดินความสงบเป็นพื้นฐานเหมือนกับมีต้นทุนแล้วพยายามพิจารณาทางด้านปัญญาอาวเฉพาะ อ, อย่างยิ่งถือร่างกายเป็นสนามรบเพราะอุปทานขันธ์ที่ท่านว่านั้นมันยึดมั่นอะไร ขันก็แปลว่ากองกองก็คือกองทุกข์อะไรมันมันเป็นกองความสุขในขันนี้เคยมีไหมมันมีแต่กองทุกข์ทั้งหมดร่างกายนี้ก็กองทุกข์เวทนาส่วนมากในร่างกายมีแต่กองทุกข์มีแต่เวทนานเป็นทุกข์ในสุขในร่างกายให้เราเห็นชัดๆมันไม่ค่อยมีมันมีแต่ความทุกข์ สังขารก็กรุงเพื่อให้เกิดความทุกข์สัญญาก็หมายเพื่อให้เกิดความทุกข์เป็นเรื่องของทิ่เลศเป็นลำดับไปวิญญาณรับทราบอะไรมันก็เป็นไปเพื่อกองทุกข์เมือ่อทั้งมวลแห่งขันห้านี้มันเต็มไปได้วยความทุกข์เราทําไมจะพิจารณาเรื่องทุกข์ซึ่งเป็นของมีอยู่ในขันนี้ไม่ได้ด้วยปัญญาของเราเล่าถ้าเราจะพิจารณาขันหยาบนี้เป็นของสําคัญรูปประขันแยกแยะออก ให้เห็นเป็นชิ้นเป็นอันเป็นสัตว์เป็นจริงโดยความจริงของมันที่มีอยู่แล้วอย่างนั้นในทางปัญญาร่างกาย ก, ก็ราก็พิจอันนี้แหละเป็นตัวสำคัญอุปาดาหนักขั้นโทคนละถือรูปอุปทานในรูปขันันเป็นกองทุก น, นาตั้งแต่เบื้องบนเบนืบ้องล่าง ขวางสถานกลางเข้าไปข้างในออกมาข้างนอกมันเต็มไปด้วยขวงปฏิกูลโสโคร เ, เต็มไปด้วยอ น, นิจจังทุกขังหะตาไปหมดไม่มีชิ้นใดที่จะนอกเหนือไปจากนี้เลยทำไมสติปัญญาที่พระเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างเต็มพระไถยเราจะนำมาพิจารณาความจริงที่มีอยู่กับตัวนี้ทำไมจะไม่เห็นทำไมจะไม่รู้ ถ้ามีสติบังคับบัญชาให้ปัญญาทำหน้าที่จริงๆสืบต่อกันไปเดิมดับในการพิจารณาไม่าขาดวากขาดตอนต้องเข้าใจวันหนึ่งจนได้ทุ ก, ก็ยอมรับว่าทุกเพราะต่อสู้กับกิเลสไม่ทุกได้ยังไงเขารบกันเขาก็ทุกอันนี้เรารบกับกิเลสฝ่ายต่ำเราทาเป็นเครื่องมือฝ่ายต่ำมันก็ต้องทุก แต่ผลที่จะพึงได้รับก็คือความสงบเย็นใจหรือชัยชนะแต่โดยลำดับลำดับหากเราไม่ขมักคเม่นปล่อยให้จิตจางๆไปเหมือนคนสิ้นท่าเหมือนคนไม่มีสติสตังเลยอย่างนี้เท่าไรก็เท่านั้นแหละมีแต่กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจหาความตุบไม่ได้ออกจากนั้นแล้วก็ วัตถมันลากไปเหมือนกับของตายแล้วไม่มีปสิกิยาต่อสู้ต้านทานกันบ้างเลยอันนี้สำคัญมากจงพากันระวังมี่พยายามให้ความสะดวกแก่หมูแก่เพื่อนในการปฏิปฏบัติอยู่เสมอเพราะไม่เห็นสิ่งใดมีคุณค่ายิ่งกว่าพระในวัดนี้เราจรึงต้องสงวนมากเราเป็นผู้รักษาเองเป็นผู้ให้ความสะดวกแก่ ทั้งหลายที่ปฏิบัติอยู่นี้เสียเองไม่มีเรื่องราวอิจการงานอันใดที่จะเป็นข้าสึกต่อาการปฏิบัติธรรมเข้ามายุ่งเหยิงมึนไหวนอกจากมีความจําเป็นในบางครั้งบางคราวเท่านั้นกดได้กาหนดเอาไว้ในความจําเป็นนั้นให้อยู่เคียงแค่นั้นหมดนั้นแล้วให้ยุติและพ ย, ยามนี้เสมอเพื่อให้พระ ทั้งหลายไล้ไปพิารณปฏิบัติเพื่อความสะดวกสบายให้ได้เห็นความจริงในจิตนี่เยสเนี่ยตัวสําคัญเวลานี้จิตเมตั้งแต่ที่เลสลุมร้อนอยู่หาความสงบเย็นใจไม่ได้เยิงหาความแปลกประหลาดอะไรไม่ได้เลยในจิตดวงที่แปลกประหลาดที่สุดและอัศจรรย์ที่สุดนี้ฉะนั้นจงพยายามำชำระทัตติเป็นสำคัญอย่าได้ลืม มีพูดอะไรก็ตามถ้าขาดการพูดว่าเกี่ยวกับเรื่องสติแล้วรู้สึกว่าไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะได้เคยดำเนินมาอย่างนั้นจึงเห็นสติกับปัญญาเป็นของสาคัญมากในวงความเพียรสติได้จดจ่อไปถึงไหนถึงไหนแล้วแม้มวความสงบก็ทนไม่ได้ต้องสงบจนได้กิตมันจะผาดผลโลดเต้นขนานไหนก็ตามถ้าลงได ตั้งข้อบังคับจิตไม่ให้มันคิดมันฟุ้งไปไหนด้วยสติเป็นเครื่องกำกับเอาเป็นก็เป็นตาก็ตายสละกันลงในเวลานั้นด้วยสติไม่ให้ขาดม่าขาดตอนมันจะผาดพ้นขนาดไหนจิตมันก็เข้าสู่ความสงบจนได้ไม่ได้ด้วยสมถะภาวนาก็ได้ด้วยปัญญาภาวนาคือตีต้อนด้วยปัญญา เอาจนมอบเห็นประจักษ์กับใจได้นสติกับปัญญาจึงเป็นของสำคัญยิ่งเข้าในถูที่จนกรอบจนมุมด้วยแล้วนั้นแหละเราจะเห็นคุณค่าของสติเพราะเราเคยเจอมาแล้วไม่รู้กี่ครั้งสี่คนเราเป็นผู้สอบเราเป็นผู้แสวงเราเป็นผู้ประกอบความเพียรเองเราเป็นผู้ต่อสู้เอง แล้วเราก็ไปเจอความจนกรอกจนมุมของเราเองคําว่าจนกรอกจนมุมก็คือระหว่างกิเลสกับธรรมนั่นแหละอไปปะทะกันเมื่อปะทาแล้วศาสตราวุธิของเราคืออะไรที่จะปราบกิเลสให้ราบไม่ให้กิเลสปราบเราอย่างราบเราต้องมีสติปัญญาศรัทธาความเพียรความอดความทนเป็นเครื่องหนุนสติปัญญาเข้าไปสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกหมุนติ้วติ้วเข้าไป ที่มันเด่นชัดในการปฏิบัติที่จะดำเนินมาเต็มทติกำลังความสามารถของตนก็คือทุกขเวทนานี่เอาเวลานั้นแหละจนกรอบทุกกิงจริงทุกจนร่างกายทั้งร่างนี้เป็นกองเพลิงไปเลยแต่ก็ทนสติปัญญาขุดค้นอยู่ในเวลานั้นไม่ยอมให้ออกจากจุดนี้เลยไปได้สุดท้ายก็รู้ รู้แจ้งจริงๆชัดจริงๆในเรื่องทุกขเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างกายกับเวทนาระหว่างเวทนากับจิตรู้กันได้ชัดเจนจนกระทั่งมันพลากออกจากกันต่างอันต่างหินอย่างเห็นได้ชัดเพราะอำนาจของสติปัญญาที่ขุดค้นลงในเวลาจนก่อกเป็นมุมเป็นอัตนาอัตญาติอันนุนาโถขึ้นมา ต้นช่วยตัวเองคือเป็นที่พึ่งของตนต้นเป็นผู้ช่วยตัวตัวเองในเวลาจนกรอบจนนนั้นเห็นเด่นความอัศจรรย์ก็ได้ในเวลาเช่นนั้นเวลาจนกรอบพอผ่านจากความจนกรอบไปได้ความอัศจรรย์เป็นชาชนะอันหนึ่งขึ้นมาหเห็นความอัศจรรย์ซึ่งไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้เห็นซะแล้ว เมื่อได้เห็นธรรมะอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นจากความจนกรอบจนมุม น, นั้นแล้ววาลาต่อไปมันจะถอยได้อย่างไรหลักฐานพยานเห็นอยู่แล้วอย่างชัดๆถอยไม่ได้ยิ่งเข้มแข็งจิตใจยิ่งเหมือนกับเพชรีเดีวถอยไม่ได้มันก็หมุนเตี้วลงไปก็มันก็รู้อีก ยิ่งแต่กระจายไปกว้างขวางไปเรื่อยๆทำนี้ทำนานเข้าไปเรื่อยๆนี่ความจนกรอกจนมุมของผู้เป็นนักต่อสู้ด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยแล้วต้องเจอความยิงอันประเสริฐขึ้นมาจนได้อุปประกอบความภาคเพียรทั้งหลายเป็นครูบาอาจารย์ที่ ผู้ปรากฏชื่อดูนามมีคนเคารพนับถือมากๆนั้นเราได้เคยสนทนาปราศัยกับท่านมาหลายๆองค์มีลักษณะเหมือนๆกันนี่เลยถึงเวลาจนกรอบเป็นมุมก็ก่อนที่เราไม่ได้เคยสนทนากับท่านก็เหมือนกับคนในโลกนี้มีคนทุกคนลำบากคนจนกรอบเป็นมุมแต่เราคนเดียวแต่เวลาได้สนทนากับครูอาจารย์แล้วท่านก็เป็นผู้หนึ่ง ไม่ใช่ว่าเราเป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นท่านก็เป็นผู้หนึ่งที่เจออย่างนั้นเหมือนกันเพราะท่านเป็นนักรบนต้องเจอต้องประทะกับข้าศึกจนได้เมื่อปราทะ่าข้าศึกแล้วก็ส่วนมากผลคือชัยชนะเป็นของท่านเช่นเดียวกับชายชนะเป็นของเราที่ได้เห็นประจักษ์ใจมาโด ย, ยตรงเมื่อเป็นเช่นนั้นนั่นแหละคือหลักใจแม่เหล็กอันสําคัญที่จะดึงดูดความเพียงตั้งหลายให้หมุนติ้วติ้วคือ ผลที่เห็นนั่นได้ปรากฏในใจเวลานั้นนั่นแหละพลังของใจไม่ทราบมาจากไหนมันนเป็นทั้งมาเองสุดท้ายก็คําว่าแพ้นี่มีไม่ได้นอกจากตายเสียเท่านั้นกับรู้หรือผ่านพ้นไปได้ที่จะถอยหลังนี่เป็นไปไม่ได้แล้วไม่ได้จริงๆเรียกว่ า, ห, วาหัวเหตุเด็ดขาดถ้าถอยไม่ได้นอกจากให้พุ่งทะลุเลยนั่น เราเคยคิดไว้เมื่ อ, อไรอย่างนี้เราไม่เคยคิดไว้เลยแต่ถึงเวลามันเป็นมันเป็นให้เห็นอย่างชัดชัดแบบนักต่อสู้อืเห็นได้อย่างชัดแล้วก็เพิ่มพลังของจิตเพิ่มศรัทธาความเชื่อมั่นเป็นอาจารศรัทธาในผลที่ตนไดนะ้รับมากขึ้นมากขึ้นความอดความทนความภาคความเพียรไม่ต้องบอกมาเองความอดก็เอาอดจนตายสู้จนตายแต่สติปัญญาปุ่ม ทำการบุกเบิกไม่ยอมถอยมันมีอะไรเหลืออยู่ภายในใจแล้วจะลบกับอะไรทิ้งสุดสรุปความแล้วมันก็มีแต่กับกิเลสเท่านั้นเอาเป็นเอาตายก็สู่แทบจไม่จะีม่ลมหายใจจะไม่เหลือแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทำความเพียรนั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นขัส้ส เป็นตัวสําคัญรบกับโรกกับกิเลสมีเมื่อชนะกับชนะกับกิเลสนีเราเห็นชนะกับอะไรดังนั้นแล้วก็จะไปรบกับอะไรอีกนี่เป็นที่ท่านพูดว่าวุตตังคำมัจรียยแทบจะทิ้งร่างกายไว้ในสถานที่ทําความเพียร น, นั้นก็มีแต่เรื่องของกิเลสเป็นข้าสึก เป็นตัวสําคัญรบกับรบกับกิเลสนี้เมื่อชนะกับชนะกับกิเลสนี้เราเห็นชนะกับอะไรถังนั้นแล้วก็จะไปรบกับอะไรอีกนี่เรื่อที่ท่านพูดว่าวุตตังพระมจรัจดาหยางงานได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วทีนี้ไม่ได้ทําอีกเลยงานแก้กิเลสเมื่อแก้ให้หมดปราภให้เรียบไม่มีเชื้อเหลืออยู่ภายในจิตใจแล้ว ปรับอะไรอีกเหลือแต่ความบริสุทธิ์จนล้วนภายในจิตใจรู้ปราชจุกับตัวเองจะพูดได้หรือไม่พูดได้ก็ตามความรู้ปราศไม่ปราศ จ, จักเด่นชัดแยกมาเป็นสมมติมันเป็นอีกแง่หนึง่งพูดให้แจ่มแจ้งชัดเจนเห็นชัดได้อย่างที่ตัวเองเห็นตัวเองรู้อยู่ภายในตัวเองมันเป็นไปไม่ได้นี่ค่าสึกอันใหญ่ คือระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันให้ถึงเหตุถึงผลถึงคลิกถึงขิงถึงเป็นถึงตายจากนั้นก็ถึงมรรคผลนิพพานาเผาศพกิเลสเผาอยู่ทุกแห่งทุกหนเลยสิเดินจงกรมนั่งสมาธิภาว น, นาไม่ว่าจะอยู่ในท่าใดเผากิเลสด้วยตปัธรรมคือความภาเกเปี่ยนมีสติปัญญาเป็นเครื่องมืออย่าท้ออย่าถอยอย่าเห็นสิ่งใดว่าเป็นของ ดีสำหรับนักบวชเราในโลกนี้นอกจากธรรมธรรมเป็นของเลิศของประเสริฐสำหรับเราเองเราเทิดทูนสุดหัวใจไม่มีอันใดที่จะมีความหมายยิ่งกว่าธรรมเลยแม้ที่สุดชีวิตจิตใจนี้ก็มอบไว้แล้วกับธรรมทุก ข, ขนาดแล้วหลอดสายไปเลยเคยเห็นมาชีวิตจะเหนือนอกเหนือธรรมไปได้ทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นแต่ก่อนเราไม่เคยเป้น เพราะทำเหนือกว่าชีวิตนั่นเองหเห็นอย่างทักชัอยู่ภายในใจไม่เทิดทำจะเทิดอะไรเนี่ยขอให้พักจริงจังยาเราแหละทำอะไรฝึกหัดนิสัยตนเองให้ทำด้วยความจริงจังมีเจตนาเป็นไปด้วยกับความรู้สึกอย่าจักแต่ว่าทำเคยต่อ น, นิสัยด้วย แล้วหาสติปัญญาไม่ได้ตลอดวันตายไปด้วยนะไม่ใช่ธรรมดาต้องฝึกเอาให้จริงจังมักผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ก่อปลวยไปด้วยหรอือพวกเราทั้งหลายจึงจะไม่มีหวังเพราะว่าทั้งหมดก็คือเครื่องมือบูรเบริดเครื่องมรรผลนิพพานนั่นเอง สอนก็สอนมาพาพวกเราผู้มีส่วนที่จะได้รับอยู่เรื่องนี้ด้วยการปฏิบัติของเราเอาให้จริงให้จังไม่เช่นนั้นจะตายเปล่าเปล่านะนักบวชตายเปล่าเปล่านี่มันไล่เร็วยิ่งกว่าโลกเขาตายปเปล่าเปล่าให้จำข้อนี้ไว้ให้ดีอย่าให้ตายปเปล่าให้ตายเต็มไปด้วยลวดลายของนักลบของนักบวช เป็นสิทธาคตให้เต็มไปด้วยมรรคผลนิพพานอยู่ก็ให้คลองมรรคผลนิพพานอยู่ภายในใจตายก็ให้ตายด้วยความบริสุทิ์ใจของตนไม่มีเยื่อายกับสิ่งใดขึ้นที่ว่าในโลกสมมุตินี้ไม่ว่าหยาบรางละเอียดแค่ไหนไม่เสียดายไม่ติดไปด้วยเหลือแต่วิมุตต์ล้วนๆไปอยู่ไหนก็ไปเถอะเราไม่ต้องไปกําหนดสถานที่สันทีน่นี่ขอให้ใจสมบูรณ์ ภายในตัวเองไม่มีความบกพร่องแล้วอยู่ไหนใจอยู่ได้หมดไม่หิวไม่โหยไม่อยากไม่ต้องการอะไรทางนั้นอืมเช่นเราอยู่อย่างนี้ก็จะนั่งอยู่ก็ตามนอนอยู่ก็ตามยืนก็ตามเดินก็ตามไปที่ไหนมาที่ใดก็ตามมันไม่เห็นมีความหมายอะไรกับสิ่งอย่านั้นยิ่งกว่าสิ่งที่ประจักษ์ว่าเป็นความพอแล้วพอเต็มที่แล้วภายในนี้เนี่ยแ่นที่นี่เท่านั้นชา้า น, นที่นั่นที่นี่มันเป็นสมมติทั้งหมด น, นี่ไม่ใช่สมมุติคือวีมตดจะไปพาดเพียงเกี่ยวข้องกับสถานที่นั้นที่นี้ได้ยังไงถ้มันเห็นกับตัวเองนี่มันถึงหมดปัญหาทําให้มดทำไมทำไ ม, ไ ม, ไมเห็นกับตัวเองรู้ตัวเองมันก็เป็นปัญหาวันยค่ำล่ะแบกคมพีมจนท่วมหัวก็แบกมาเถอะมันก็หนักคำภีร์่ปอเลยมันไม่ได้มีความสบายภายในใจ ถอนถอนสิ่งที่หนักหน่วงที่สุดคือกิเลสอยู่ภายในใจออกแล้วไม่มีอะไรจะเบายิ่งกว่าใจทีหลุดพ้นจากสิ่งกดตัวทงหลายออกมาเป็นอิสระเสรีหนึ่งไม่ลืมนะตั้งแต่เรื่องออกปฏิบัติเร่องเส้นกระทั่งปัจจุบันเพราะมันอยู่กับใจมันลืมได้อย่างไ้มันเป็นสัจจะธรรมของจริงไม่ลืมะถึงความจํามันก็ลืมอยูความจริงที่ดำเนินมามันไม่ลืมทั้งเหตุและผล เลยก็สุดเหนียวผมที่ลําบากเกี่ยวกับร่างกายที่สุดในการบวชนี้ที่เกี่ยวกับด้านคิดต่างทางนั้นก็ลําบากพรรษาที่สุดลําบากมากที่สุดเป็นพรษาที่ทุ่งกันเลแค่ว่าจะชีวิตจะไปไม่รอดเนี่ยทางว่าเราจะเทียบนะ่แต่ไม่จะรอดของมันได้มันไม่ตายพรรษาเก้าเป็นรรษาที่ สู้กับความเสริมความเจริญแล้วเสื่อมไปความเจริญแล้วเสื่อมไ ป, มมไปนี่ก็เป็นกองทุกขอันหนึ่งภาษาที่แปดเป็นภาษาที่จิตใจสงบมากเพราะว่าที่นี่นนมันเป็นหินไปเลยค่ะหากว่ามันเป็นหินไปเลยในจิตแน่นตึงขนาดนั้นมันยังเสื่อมได้คือ ด, ดูสินั่นทําที่มันเจริญได้สิ่งที่เจริญได้มันต้องเสื่มได้ นอกจากไม่มีความเจริญมันก็ไม่มีสุขความสุขพอออกจากการศึกษาได้เดือนมามีแต่ภาพปฏิบัติเอาจริงเอาจังเท่งนี้เอาเป็นเอาตายเขาเลยไม่มีทางองื่นไม่มีทางออกเพราะมันมุ่งมั่นมาพอแล้วพอออกก็จริ ง, จ ร, งจริงด้วยไม่เอางานไหนมาแก้ลํคาคันเพราะความลำคานเป็นเร่องที่เหลื ถึงงานพอนาบาบกันกล า, างวันก็ตามกลางคืนก็าตามฉะนั้นน่าก็บินลง ม, มาโน้ตด้านเล็กในานออกมาจากเทือกขึ้นมาจำภาษาจักรพรรดิมันแบบเพี้ยมึ้นมาจาตั้งเริ่มนึงน่งวัน จ, จ้าเจ็ดริ่แล้วเรียนหนุนกปอยู่กับกชาตินคนเดียวมด้านหนึ่งอยู่นน้นกลางวันก็อยู่นน่นเล่นอยู่ตลอดเวลาคืนจึงมาบ้างคืนก็นอนอยู่น้นเลย ไม่มาลมเ ข, า เ, เขาเรียกเขาเรียกเที่ยวคือนะต้นเที่ยวอย่างนี้เป็นเที่ยวคืนช่องโค้งช่องเคียนลมดุยมคมอย่างนั้นสนกนัน <c oughs> นั่งภาวนาก็ตายมันออกมามคืนมาเที่ยวแต่นั้นมันเป็นโค้งอิจฉาแสงบนี่คือว่าสมาธิเต็มที่เหมือนกันนะทำไมมันเสริมได้พี่พีเพราะเราไม่รู้จักวิวธีรักษา มาทํากดเพียงหลังเดียวเท่านั้นยังไม่เสร็จเลยเสือมเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างรีบแห้งมาแห้งก็าตามที่เปิดที่ทาด้ยวยน้ํามันอะไรไก่อูกไก่อีอยู่นั่นแหะสีทาไม้เท่านั้นไม่แห่ ง, ง่ายนท่านั้นจับฟันเข้าไปเลยเพอะรีบเดือดกิจเสื่อมรู่แล้วเข้าได้บ้างไม่ได้บ้างนี่แปรแลไวเว้ยเสือมมาก ขนาด น, นั้นมันยังเสื่อมต่อหน้าต่อตาเสื่อนไปเรื่อยๆเลยจกนกระทั่งไม่มีเหลือเลยโอ้จิตนี่มันเป็นไฟทั้งก่องจลยจไม่ลืมเลยนะไม่มีจิตดวงไในที่จะร้อนเป็นไฟทั้งกองเหมือนกับจิตที่เคยเจริญแล้วสื่อมไปเพียงท่านสมาธิตรงนี้มันก็เห็นท่านแล้วเป็นไฟไว้หมดทั้งก่องเลยเพราะความอยากอยากได้คืนอย่างนี้มันเป็นไฟอันหนึ่งแล้วความเพียรสมบุกทสมบันเพื่อจะ เอาจิตีมันเสื่มแล้วกลับคุนมาให้ได้มันมีแมันได้อย่างหนึ่งไม่ถอยตท่นั้นเองอันนี้ได้ผลมีแต่เอาเอาไม ม, มันไม่ด้เอาตายอยู่มี่เอาตายเข้าไปจิตจังจ๋าที้ง่าจิตังภาษาแรกมีไรมีแต่จเจริญกับเส่อมเจริญกับเสื่อมกลคืนไม่ได้หลับได้นอนวางคืนกลัวจิตจะเสือ่อเพราะขึ้นเต็มที่ถึงขีดนี้แล้วอา้าวไม่นอนมันจะเสื่อม มันก็เสื้อมไปต่อหน้าต่อตายน่าประจักษ์โอ้น่ามโหจริงนะมันเหมือนเราปิ่งครบขึ้นจําปลวกะแล้วน้ําหนักของครกมันหนักมากยิ่งกว่ากําลังเราจะตั้งฐานไว้อยู่มันก็ปิ้งทับหัวเราลงไปดุมประนุแต่ทับลงไปแล้วเราไม่ตายนะลุกขึ้นได้ไปอีกกล่าวอีกปิ้งมันอีกขึ้นอีกทับลงไปอีกเป็นทัง้ททงมันอีนินทรีย์อาใจ เรื่องพยายามรักษาแบบนี้อา้าวที่นี่ทอดทุระมันจะเสื่อมไปในส่วนเถอะนี่อยู่กับพุโทโธเนี่ยมันคงจะเป็นเพราะเถอพุโทโธคำบริกรรมนีเสื่อมไม่เสือเส่อมไม่เอาไม่เาเรื่องไม่สนใจมันเสืมก็เสือเส่อมไปแต่พุโทโธไม่ถอยเอาพุโทโธไปวติดแน่ตัดกว่าดก็ไม่ยอมให้เสือ่อเอาจริงจังถึงขังน้นอะเสื่อมไปที่แต่ก่อนมัน เสียดายมันตัวมันอะไรมันเลยกลุ้เครื่องกังวลยุ่งในจิตนี่นะระหว่างความเสื่อมความไม่อยากให้เสื่อมต่อสู้กัน <c oughs> นี่ปล่อยเลยเมาเสื่อมอะไรไปเถอะพรุทธจะไม่เสื่อมจะตายพระพุทธเจ้ามันไม่เสื่อมที่นี่ถึงรู้ว่าอ๋อจิดเสื่อมนี่มันจะออกจากนี้ยังไม่มีหลัดจับได้ทันทีอันนั้นมาไม่เสื่อมเลยเลยพอถึงเดินพืชพามานี่อร่อยนะฮิงะ เป็นเมสามาแล้วคลิดไม่เสือ่อมนลที่นี่แน่วแนวแ่วแน่ขนาดนั้นก็แน่วแล้วขนาดที่เคยเป็นพันศาแปก็แน่วชัดแล้วที่ไม่ถอยจิดเสื่อมนี่แหมมันผูกอาคาศนะป็นอ า, ฐ า, ฐาคาตฝ่ายธรรมถ้าเป็นแบบโลกนับห้าคนพูดที่ทำให้เสียดแคนขนาดนั้นยังไงก็ไม่มีเหลือคนคนนั้นนะ เลยค่าขอให้ไดค่าคนนั้นถึงเราจะตามเมื่อไหร่ก็ยอตายขอให้ได้ค่าอย่างเดียวเท่านั้นมันถึงใจอันนี้พอหิุมันขึ้นได้แล้วเอ้าวนะที่นี่หนาวอ่ะเหมือนกับขึ้นในความช้างนขึ้นบนคอช้างได้แล้วก็ขอสาบลงจนร้องโอกโอกมันไม่ถอยอืมันกลัดฟันเหมือนกับดังก๊อก๊อด่เงี้ยมันมันเป็นไรนี่มันเรื่องมากนะเนะี่ืมมันอาฆาตกันขนาะ น, นี้ ถ้าเป็นโรกแล้วก็คิดหายแต่นี่มันเป็นเรื่องธรรมพวกความจเจริญฟาดมันลงจึงนั่งหามุมหามกำได้ที่อยู่นี่หนักมากนั่นเป็นปัญหาที่หนักมากที่สุดผมทางส่วนร่างกายนะทางจิตใจก็แขบมแข็งเต็มที่ทางร่างกายก็บอบช้ำมากที่สุด ในพนัษากลางวันตั้งสัจจะไม่นอนกลางวันเลยตลอดพําษาเว้นแต่เรากลางคืนเราได้นั่งตลอดรุ่งกลางวันจะนอนถ้าไม่ตลอดรุ่งแล้วแมยเรานอนชั่วมีดหนึ่งชั่วโมงก็ตามในกลคืนนั้นกลางวันเราจะไม่นอนเป็นเด็กขาดแต่คํำสอนนี้มันจริงนะผมสำหรับผมไม่ได้คุยนะมันเหมือนหินหักเข้าเราได้ตั้งในแล้วหักก็บ้า่นไปเลยซึ่งหมายว่าไม่นอนกลางวันไม่ได้ทำหนี้เจ้าของว่านได้เผลอตัวไปนอนกลางวเรื่องของความลํา ความของร่างกายเหมือนกับว่ามันจะแตกเน่าเปือไปหมดทั้งหลังความเกิดความปวดความเกิดความปวดมันหอมพัวเข้ามาเท่าไรในขณะที่นั่งนี่สติปัญญาหมุนติ้วติ้วติ้วไม่หยุดอยากให้หายเท่าไรมันยิ่งคนเดิมกว่าเห็นโทษนหมดเห็นความจริงของมันหมดเป็นอาจารย์สอนอย่างอื่นที่เดียวอยากให้หายเท่าไรยิ่งกําเริบไม่ต้องการอมันรู้ความจริงตามความทุกข์นี้ปล่อยแล้ว ควอย่างให้หายโค้นตามความจริงของทุกหมุนกันไปหมุนกันมาเทียบเรื่องทุกเทียบเรื่องกายเทียบเรื่องจิตเทียบกันเท่าเป็นได้สัดได้เศษนล้วมันก็ลงข้มันโอ้เวลามันลงทีไดนั่นอัศจรรย์จริงๆนะ <c oughs> คือไม่เคยพลาดเลยแล้วนั่งตลอดลูกคืนไหนก็ตามแต่เป็นคืนที่ได้ความอัศจรรย์ทุกคืนเพราะตั้งแต่ขนานนั่งตั้งสัจจะฐานลงนั่งปุ๊บนี่ว่าจะตลอดลูกแล้วมีจิตมันจะมีลาบ ไปเ่เป็นเพื่อนพอ่านไปอย่างไงสำลัลงถึงเป็นเพิ่งตายจิตมีจะให้มันได้รอดอะไรได้อย่างไงนั่นที่มันทุกอันนึงไม่ยอมให้มันออกจากนี่เลยอืเวลานี้คืงเวลาเราสลตาัตายอตาทั้งตายอยู่ตนี้หนุเตี้วอยู่ที่นี่เนี่ยแหละที่ว่าตาอีตัตนูนาโผมันเด่นตรงนี้แล้วมีที่พึ่งพึ่งอะไรพึ่งไข่เวลาจะเป็นอาการจิตมีไม่ถูกร่างกายของเราเหมือนกับเป็นกองไฟทั้งกองเลย มุขป็นญาก็หมุนตี้วตรงท่ามกลางกองไฟมันต้นแตกกระจายกันออกระหว่างผู้คเวทนากับกายกับใจแยกกันออกแยกกันออกก็ดับนอนสีดับหมดเลยไม่มีเหลือนั่นคผมเป็นสอย่างดับเงียบจนไม่มีเหลือเลยทั้งร่างกายคือไม่มีเหลืออยู่ในความรู้สึกว่ากายมีนะอยู่ในเหมือนก็นอยู่เป็นอวกาศ แต่ไม่ได้กำหนดว่าสูงต่ำอะไรไม่มีหล่ะมันเเลือแต่รู้สักแต่ว่ารู้พูดไม่ได้เลยกับความอหัศจรรย์ที่อยู่ก have, ับความรู้นั่นแหะสักแต่ว่าเท่านั้นแหละโอโ้โหจิตจริงๆเป็นอย่างนี้จิตจริงๆเป็นอย่างนี้นังมันรู้ชันนะว่าจิตแท้ๆเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้น่ะหน้ามันแยกด้วยความจิงด้วยภาพธรรมที่วัดมันเห็นได้ชัดนี่จิตกับการมันเป็นเดียวกันเมือ่อไหร่พิจารณาเรื่องความตายอะไรนั่ น, ม, นออมันตายอะไรมันตายอะไรมันตายแยกถ้าไราไป ดินกลาเป็นดินน้ำกลายเป็นน้ำลงกกายเป็นลงไปเป็นเป็นจักจักงจ่งในปัญญาจิตนะนีจิตก็เด่นส่วนจิตนันก็เป็นจิต น, นี่นี่มันอะไรมันจะตายมันยิ่งเด่นยิ่งเห็นได้ภัพมันตายได้ยังไงมีอะไรตายเฮ้อไอ้ธรรมะตามโกหกกันหนะกมันมีอะไรตายหนักเมื่อมันตยัยแล้วมันอาถารพ์จนกระทั่งถึงเวลาวาลาจะตายนะ มันจะเอาทุกเวทนาหน้าไหนมาหลอกเราว่านะทุกเวทนาทั้งหมดที่มันจะตายมันก็คือทุกเวทนาที่เผาอยู่เวลานี้เราก็ดิพิปัญญารู้แจ้งเห็นจริงมันแล้วเห็นหน้าเห็นตามันอย่างกระจ่างมันจะเอาทุกเวทนาหน้าไหนามาหลอกเราเวลาตายเฮ้ยโกหกกันเรื่องตายนะอาหารปังปังหนึ่งนี่เป็นปัญหานี่เป็นปัญหาที่หนักมากสาหรับความเจริญมันเกี่ยวกับร่างกายนะผมหนัก ม, ม, มากจริเหมือนเราพนแต่พอง นั่งอยนี้ออกร้อนเหมือนกันท่ออะพราะกว่าจิตมันจะลงได้บางคืนมันนานนะต้องหกทุ่มลงกันมปแล้วกัมีนั่นหละตอนมันมันบอกท้ำมากต้องจารนั่งหัวค่ำจนกระทั่งถึงหกทุ่มวันนั่นคืออากาศมันก็ร้อนร้อนเลยอากาศนี้เป็นเครื่องช่วยภาวนาได้ดีถ้าวันไหนฝนทาแล้วนั่งตลอดลุ้งนุ๊กโอ้โหยมันช่วยได้ดีที่สุดเลย ก็หมดพลิกงานไปนี่เหมือนกับคิมมันปากผมเนี่ยจั บ, ร บ, รบรพรงไหนติดตาติดตาก็หนดตาพุ่งพุ่งทะลุทะลุทะลุทะลุเดี๋ยวก็ถึงลงเลยยังไม่มีความรู้สึเกเจ็บปวดแสบร้อนในร่างกายส่วนไดเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วมันง่ายอยางนั้นแล้วพอลุกขึ้นมานี่ไปได้เลยสบายเหมือนกับนั่งธรรมดาภาวนาธรรมธรรมดาไม่ได้ตลอดรุ่งเลยนะทั้นที่เวลาชั่วโมงเท่ากันยีตึงเป็นของสาคัญมากว่างนั่นเลยยอมรับทันที ที่สรุปความมืองแล้วว่าคืนไหนก็ถึงจระญาตขนาดไหนก็ตามทําอธัธยกรรมต้องได้เจอกันทุกคืนทําอธัธยกรรมนั้นที่เราไม่เคยรู้เคเห็นมันได้มาลูกมาเห็นติดติดกันไปเรื่อยด้วยการความเชื่อแน่ยจิตตายไม่เป็นนี่มันเชื่อจริงๆมันชัดมันเงี้ยวหมดแล้วจนกระทั่งร่างกายหมดในความรู้สึกเลยไม่มีอะไรเหลือถ้าทําไมความรู้นั้นมันไม่เห็นหมด หากจะพูดเป็นอะไรอยู่ว่าเหมือนอะไรไม่ได้นั้นในขณะนั้นพูดไม่ได้ต้องพูดได้แต่จอ ง, งหวัดทังมดว่าเราจะนั่นนะสักแต่ว่าเพราะนั้นพูดอย่างอื่นเปไม่ได้เป็นข่าวนั่นแหละคือธรรมชาติอาศจรย์แท้กระทั่งที่ตอนนั้นอวิชารกระหองหวงนี่นะมันกว่าอัศจรรยไม่ใช่เล่นหรอกนั่นต่อยอมดความรูสึกท้งร่างกายไม่มีเหนื่น้ดับมดร่างกายก็ดับเมื่อกายหมดความหมาย มันหมดความรู้สึกขึ้นมายควาว่ามันหมดหมดไปในความรู้สึกของกี่แล้วเวทนาทางการมาจากไหนมันไม่มาเงียไปเลยแล้วจิตมันมันจะถอยตัวมามันยิบยับๆว่าสร้างออกมาลุกยร่างกายมันนั่งตองม่มันก็มารู้ย่ากายอีนาไปอีกพอทุกเวทนาไม่นานทุกเวทนาขึ้นขึ้นตาหนดกันอีก แต่ถ้าเราจะเอาโบราณเก่าที่เราเคยพิจารณาได้ผลแล้วนำะมาพิจารณาไม่ได้นะมันเป็นสัญญาอาดีตแล้วนะมันต้องคิดขึ้นใหม่อีกให้ทันกันกับเหตุการณ์เวลานั้นเรียกว่าปัญญามันจะซ้ําของเก่าก็ตามขอให้เป็นปัจจุบันถ้าเราจะไปคว้าเอาอาดีตมาใสา่โอ้มันมาหมายอย่างนั้นดุ่งไปหมดปัญญาก็เลยหมายเป็นสัญญาไปเลยต้องคิดขึ้นมาในวงปัจจุบันมันมันทันทุกทีนี้นี่นนอัตยีโนโถนาโถ แม้จำเป็นจิงไม่มีผู้อาศัยแล้วโอ้ยมันช่วยมันได้ช่วยตัวเองถึน ถ, ถ, ถึงถานะเนื้บอกช้ามากผมพขนั่งตลอดลูกไม่เคยขึ้นคือเดี๋ยวต้งโอยกล้าคืนสิบตวคืนละ ม, มั่งนะครับมันไม่ใช่เย็นไม่ใช่มไม่ใช่นั่งติดตินไปเย็นคืนเย็นสองคืนอย่างน้อยเย็นสองคืนแล้วก็สามคืนสี่คืนที่เจะ อ, อาทิตย์นึง เป็พ่อแม่ครูอาจารย์เตือนเพราะเรากล่าวเยนท่านเลยโอ้ยจนแต่ความกลัวท่านมากเลยนะพอจิตอันนี้มันเป็นขึ้นมาแล้วทาความกลัวไม่ทราบปัญหมีแต่ความกระยิ่งในจิตอยากจะเล่าถวายท่านแตท่านช่วยอุบาลอือแล้วขึ้นพอยงเงี้ยอยู่ตสองวันสองขึ้นปุ๊บเลยเล่าถวาท่านท่านมันต้องอย่างนั้นท่านเป็นเจ้าของหมาอยู่วะท่านก็โยนี่หมาตัวนี้กระทั่งจะกัดตาเหวี่ยพอพอเจ้าของอยู่โหใส่มหนัก คนนายก็น่นเข้าเดินออกพรรษานนท่านมีพระเดียมไนงะนั่นแหลนั่นแ่นะท่านรู้นิจัยมาเวลามันขนันพิกขนองมันผ่าโผลนายทราธถีต้องฝึกหัดอย่างเต็มกำลังทรมานมันอย่างเต็มที่ไม่ควรให้กินยากให้ให้มันกิท่านว่างนี่ไนงะ เหมือนพอฝุกได้แล้วก็อลดการทรมารลงไปมาตัวไหนที่ฝุดง่ายก็ให้มันกินเป็นไ ม, ม, ม, ม่เป็นหมดอย่างอั น, งนนั้นถ้ามันย้อนมาวิเศษไม่อยู่กับร่างกายห่างมันอยู่กับจิตแต่อาศัยกายเป็นเครื่องเสริมนะครับ ทุกคนก็ดับมันก็ดับเวลาทุกคนพอรู้เรื่องเสร็แ้วแต่ถ้าท่านก็ว่าสอนท่านพอนยาวท่านก็มาว่านะเป็นเงื่อนอย่างนั้นเป็นเหมือนจะให้หนึ่งรู้จัประมาณดูเวลานี้ีิดดจิตมันได้ระดับของมันแล้วพูดนง่ายได้หลักได้เชิงแล้วก็ทุกคนจะทรมานเป็นหนามันความหมายลดลงลงแต่ท่านไม่ได้บอกอย่างนี้เพราะท่านรู้นิสัยเรา ถ้าเป็นคนนิสัยนี้เดี๋ยวมันจะอ่อนไปอ่อนเกียยไปเลยท่านแข็งแกร่งเร า, าเข้าใจ ท, ท, ทุกมากสในร่างกายันภาษาเนี้ยแต่นั้นมาแล้วของมาธินี่โอ้ยแ น, น่นเป็นหินไปนเลยเปัญญานา่ก็ก็ไม่ได้ใช้ปัญญามันจะอะไรมาถึง มีแต่กับสมาธินั่นสบายสบายแล้วถามไปไงลนาสบายดีสบายดีอย่หวังถามด้วยพอถึงปีที่ห้าทั้งก็เข็มก็ไปหลงคิดแต่จะตายนค่หนึ่งวินทีทันทีเหมอนนั่นรู้ไหมว่าสมาธิทั้งแท่งเป็นตัวสมอะไรทั้งแท่งรู้ไหมความสูงในสมาธิเหมือนกับเนื้อติดฟันท่านรู้ไหมอ๋อย่างนี้เห็นนะถ่ายป้งป๋งเข้ามาเลานี้กับเป้าท่าน มันสู้ทําไม่ได้เหรอท่านรู้เนี่ยถ้าสงควรที่จะดับเราพี่นี่ถ้าจฝ่ายเราเปนพี่ออกมาก็เป็นพิจารณาสามเรื่ังสำาึกไปจริงจริงปัญญาเนี่โอโ้โหบูญวามันออกอืก็เหมือนกับเครื่องทําครวัวเราเอามารวมไม่หมดแล้วสมบูรณ์แล้วที่จะทําครัวได้แต่เราไม่ยอมทําจะให้เครื่องปรุงแกะุงแงนี่ให้มันเป็นแกงอเลยมันเป็นไปได้ไหมนี่แหละที่ว่าสมาธิเป็นสมาธิมันจะเป็นปัญญาได้อย่งไง มันจะเป็นแจงได้ยังไงความหมายอย่งนั้นมันจะเป็นปัญญาได้ยังไงก็ต้องเอามาปรุงเข้ามันเป็นแจงมันจะเป็นได้ต้องเอามาพีดเพ่อให้มันเป็นปัญญาเพื่อจะเป็นได้เครื่องหนุนเหมือนกับเครื่องทำครัวเลแต่สมาพีดมันพร้อมแล้วเนี่ยพอทัานว่างท่านลงเป็นที่แล้วก็ต่อสู้ท่านเป็นที่แล้วลงมาเอามาพิจารณาดินน้ำหมดถึงออกเลยเอ๊ะชอบผลชอบผลนะพี่นะจากนั้นก็ถึงถึงเลยมันเร็วพอสมาพีมันเป็นมาสักปีห้าปีนึงเต็ม ไม่มีสงสัยเรืสมาธิใครจะมาโตหกยากว่างั่นเลยไม่ใช่คุยเพราะมันเป็นหินอ่ะมันแน่นปังเป็นหินไปเลยกําหนดเมื่อไรได้เม่อ น, นั้นเพราะมันเป็นสมาี่อยู่แล้วเพียงระงับกระแสะของจิตเท่านั้นเองเพอกําหนดต้ามันหายหยักไปเลยเหลือแต่ความดู้เน่าหมูอยู่ทีนี้มันก็เลยจะติด น, นี้แหละนี่ผ่านจะเป็นอันนี้เองคือมีผ่านอยู่นั่นเลยอยู่นั่นขี่แอืวเอาไมั้ทั้งต้นมาทําเรืองมาปลูกเรือนปลูกได้ยังไง นี่เขาตัดต้นตัดปายมาทาต้นเขาเป็นต้นเสาเรากเอาไม้ทั้งต้นราบลูกบ้านกือน่านี้เจเอาสมาธิมาเป็นนิพพานเป็นได้เย่อของล้างทำงานออกออกก็จะไม่ได้หลับไม่นอนนะพี่นะบุเรียนออกน่กรรมมาลงโทษมันก็เลยเถิดโอ้สมาธิมันนอนตายเฉ่งก่อนนั้นนึกว่า สมาธิความรู้แนวนี้จะเป็นมีผ่านที่ไหได้มันไม่เป็นนี่นะกิเลสเต็มอยู่ในหัวมันอันหนักหัวสมาธิมันหนักหวามันถาถางฟาดปันไงหลอกที่ม่รู้แง่ยนั้นยิ้วแง่นี่ตัดกันออกตานกันออกเรื่อยนี่มันก็ยิ่งเพลิน่ะจิตตัดกิเลสออกมันตัดด้วยปัญญาเพราะกิเลสออกส่วนไหนมันออกเนี้ยไหนมันออกนี่มันดีบขึ้นดีบขึ้นมันเห็นเนีหยครับทางยในจิตคาดจากกัน รู้จะชัดจะชัดจะชัดโอ้โหอย่างนี้เองปัญญงอางนี้เองมันก็เธอทำบัญญาฟาไม่นอนไม่ได้อ <c ười> ่าคืนนอนไม่หลับหลับได้งานทำาน่างกลางวันก็ฟาดดึงกลมทั้งวันมีตาเท้าร้อนหนุไปเลยขึ้นไปหาท่านเองนี่พออาจารย์ว่าให้พิจารณาทางห น, น้าัญญาที่มันพิจนารณาไม่ได้จกระทั่งไม่หลับไม่นอนนั่นะมันลงทงขาน่งเอาลนะ ถ้ามพิจนาณมันก็ม่รู้นั่นนมันหลงสังขารนีบ้าหลงสังขารบ้าสังขารหนาือที่มันนิงนะวะมันเคยเห็นผิดรขาวก่อน้านมาที่ต่อสู้ท่านชื่อท่าน ไ, ได้รานี้ต้องเป็นขันาาว่างัวไว้ออกทาแต่ไม่ถอยนะขันที่นกระทั่งมันจะตายจริงเนาะมันเทียนนยับยั้งเข้าสมาธิด้วยการบังคับเหมือนกับเวลานั้นมันมีสมาธิเลยบังคับก็ไปสง กระคุมันสบายมันโอ้เหมือนถอดเทียนถอนน้ำมาพอได้กาลังามาที่เราถอดิตมาปั้งกับปุ๊บทงานเรู้คุ่งพุ่ ง, งแต่ต้งพิจาณาปัญญาจะไม่นานนี่ตั้งสมใจได้ไม่ลืมอย่างนี้มันจะลืมได้ยังไพอออกปัญญาจากข้าราชการเขตมันะได้ไปมันได้ไม่นาน มทัมนนมรรคพจนาทุกรมรูปขันนี่หมดปัญหาไปเลยรูปขันหมดปัญหาแล้วมันต่อัปกันกเต็นที่แล้จากนั้นมันก็ทจำไา้อีกอันนี้ยิ่งจำได้เป็นเดือนไปเลยจำปดจกำปกตินั้นตปมจนานุกรเนี่ยนะมันต้องแเดือนนะอปัญญาทั้น ร, รูปขันนี่มันเหมือนกานํา ไหลลงมาจากภูเขาเหมือนกำน้ำตกตรงนั้นเถอะนะจ้าจ้าจ้ากระเทือนไปหมดภูเขาตะกุดว่าแต่พอปัญญาท่านนมามธรรมนี่มันละเอียดมันหักมาอยู่นะมันเหมือน น, น้ำคัดน้ำพุ่มไหลนี่มันตลอดเวลาจนพูดไมาหน้ว่ามันเผลอเมือไหร่พี่ดูตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจากานกระทั่งกว่นี้มันเผลอตัวเมื่อไหร่มันไม่มีเลย มันลอคนอยม่ตลอดเวลาแม่จร่สุดชันในขันนี่มันก็เคยผวดตัวมันทำงานของมันตลอดเหนื่อยมาที่มาขันได้แก่พวกเวรนาทั้งาทั้งขันแต่พอเรายิ่งชันดากราทั้งขันมันหนักสำหรับผมเอยิ่ยางกับเดรนาทางจิตมันก็ไม่่อยพิจารณาอะไรมากจมันจะมันจะเอาทั้งขัน กวามปรุงอจตแื่นน้าหมาน้าหมายนี่มันกงดตามมันหมุนเตีดีเองมันก็เกี่ยโยกันวนแหละเียมีอย่างอันุจนนก็กระเทอนอันนี้ทุกทุกภายในเป็นร่างกายจะทุกจะเหมือนเดินไมกลมไม่ทราบว่กชั่วโมงนี้มันจะทุกแต่ไม่ไม่เหมือนเรานั่งตลอดลุ่มอะไรต่างการประกอบเพียนในยาบุต่างๆไม่เหมือนยาบุนั่งตลอดลุ่ ทอกเห็นางร่งกายบอบช้ำ ม, มากแล้วเดินในกรมนั้นมันก็ไม่เห็นอะไรมันไม่รู้สึกตัวนม่นมันเหนื่อยอันนี้มันรู้จริงๆเป็นไฟทั้งกองเผาอยของต่อสู้อยูในทํกาการแห่งกองไฟนั่นก็รู้อยู่ที่พันเวลานะเดินในกมไม่เห็นถึ่นอะมันมันเพลินอยู่ภายในเมืนอนตืจพะน้จงบอกพรรษาที่สิบเนี่ยผรมทุกมากจริงๆใน ตัววัดที่ยิ่นี้นมีปัญหาทสที่ทุกมากที่สุดเพราะเป็นการต่อสู้เอาร่างกายรัาเป็นเผาเลยกันกับความเพียรมันไม่มีจิตใจมันทุกทั้งร่างกายเลยร่างกายบวกเข้าไปด้วยพอจากนั้นไปแล้วมันก็พอถึงขั้นปัญญาแล้ว่ร่างกาย ก, ก็ไม่ค่อ ย, ยนะมีแตจิต หนิม้มันทุกข์มากนี่ทีนี้เวลาไปถึงท่านปัญญาแ้นะมันทุกข์ทางใจมันเด็ดอีกยู่ภายในใจไม่ใช่เสื่อนหลังกลางมากอะไรนะบถ้ทางปัญญาคือทางคิดทางุงทางพินิจพิจารณามากกะทุกอ่อนแล้วม่ทางในสมองขใจไม่สึกว่าอ่อนพี้แยอีกนึช้าบไปท่านว่า สมองสมองมันคิดอะไรอยู่กับสมองแต่คนไม่เคยภาวนาก็ใ้าใช้เนียจะว่าจิดอยู่บนสมองก็ได้แต่ว่าปัญญาอยู่ที่สมองก็ได้แต่คนไม่เคยภาวนาท่านนักภาวนาแล้วมันสมองที่ไหนว่างันเลยมันอยู่ตรงนี้ทางนันวง ว, ว่างแม้แต่ความสว่างไสวก็อยู่ตรงนี้ความสงบก็อยู่ตรงนี้ความพุ่งสร้างตอนที่เราจะไม่ทราบครับมันก็รู้อยู่เพีตรงนี้ไม่ชัดก็ต่างนี่พอสความสงบมันก็อยู่ตรงนี้ ความผ่องใสอยู่ที่นี่ความสะเอียดหล่ อ, อของจิตขนาดไหนปัญญาออกเนี่ยไดเนี่อใดก็ตามออกอย่างนี้ออกอย่างนี้ได้อย่างแท้ทับมันออกที่สมองเมื่อไหร่นี่มันเด่นอยู่ตรงนี้นี่ไคโกหัวยาออมันตึงตรงนี้ใช้สมองใช้สมองทูกโลกเขาไม่มีฐานของจิตใช่สมองกุมหัวยืนนั่นเราไม่เป็น มานแล้วมันอยู่ตรงนี้ยิ้บวาจะตายย่งคือผมเคยเล่าให้ฟังมันอยู N ่ตรงนี้อยู่ร่างกายหมดความหมายไปแล้วเนื้อแต่จุดที่จะดิบตัวันนยแค่ส่นเดียวมันก็อยู่ตรงนี้ไะมันไปอยู่บนสมองสมองก็เหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนอันนึ่งอัหนึ่งือกสองนี้รู้แท้อยู่ตรงนี้ ทุกข์นะเพาะคุณนจรหนึ่งต่อรู้ก็เด็กแต่มันทําให้ภูมิใจนะย้อนหลังไปี่จารณาย้อนหลังวาถึงความเปลี่ยนน่าภูมิใจนี่ที่จะนีที่จะรู้จะเห็นแต่ละพักล้วตอนนี้มันรู้ได้ด้วยวิธีการตะเกียบตะกายบึก บ, บนึนเอาเป็มปาวัยวะามาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นมาเป็นลําดับธรรมดามันไม่ธรรมดาผมแต่ทําความเปลี่ยนธรรมดาเหมือน เพื่อนมือเนทั้งานมันมาได้นต้องมัดมือชกเอาเลยที่เดือดจรงพอจะถือสลอกตอกเปลบ้างทำปัญญาไม่เห็นท่ามันขาดจริงๆที่เดือกตรวไหนขาดแตมันรู้รู้เลยครับครับเดนขึ้นเด่นเนืมันขาดดยประการทั้งปวงแล้วทำใหม่มันจะไม่รูหมือโลกชาตมันไหวขน่น อ ม, มึนเคยพัวพันกันมาเป็น อ, นนนนอันอันเดียวกันมากับจิตระหว่างที่เลสกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมาภายในหัวใจนานเท่าไหร่เรไม่รู้เลยว่ามันเป็นอันเดียวกันตอเวลาพิจารณาเข้าไปสู่จุดสุดท้ายฮะความละเอียดของยิเลนีเ้มึงถึงรู้วมันอยู่ที่ใจมันอยู่ตรงนั้นตัวหลักตัวฐานของมันตัววัตถจิตวัตจกักวัตจิตจริงๆมันอยู่ตรงนั้น ฟันแหลกแล้วอะไรมาเป็นมัตต์ขีอะไรมาเป็นมัตร์จาเนียมันรู้ได้ชัดขนะมันนี่ปัญหานี่อยู่ตรงนี้อย่าไปคิดที่ไหนเสียเวลาฟันมันลงไปคือการเอกตาเศรษิจการเวชาคิตรรมมันเกี่ยวโยงกันอย่าไปพิจารณาที่อ๊ะจพิจารณานู่นตามข้าเป็นโครงการไปอย่างนั้นไม่ได้นะมันเป็นภาคทฤษฎีมันค่ามันหมายมัน แน่นอนทนาใจถนัดใจตรงไหนจะเป็นกายประตามเวทนาก็ตามจิตประตามธรามธรรมธาตุไม่องไปเลยแล้วมันจะวิ่งถึงกันหมดจะทุกข์สมุทยัยมิรอมากกัามันกันมันเป็นทาเกี่ยวโยงนะในภาตุธาปฏิบัติทุกข์ให้ถึงกำหนดรู้สมุทัยละนิรอ ค, คนทำไม่แจ้งมัะเจริขึ้่มากแล้วจะไปทำนาที่อยู่ทางนี้มันตายเลย พวเรียนไม่ว่าเราเราเคยเรียนนะก็เป็นอย่างนั้นมันค่ามันหมายงั้นบางเวลาเข้าหลักปฏิบัติเข้าสู่สงครามันจริงแนล้วประสบการณ์ในสงครามันตึงอย่างไรมันรู้สิ้อ๋อเป็นอย่างนั้นเองอทุกกะรู้ว่ามันเป็นทุกข์แล้วนี่ให้มันเป็นอะไรอีกโบราณที่จะนามันค้นถึงสาเหตุมันทุกข์มทุกมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์มันค้นหานี่คือเรื่องปัญญาที่จะขุดค้นสมุทย ขึ้นเป็นรากสําคัญขึ้นความสําคัญมันหมายความยึดว่าทุกเป็นเราเราเป็นทุกนั่นเองเป็นตัวสมุมไทยร่างกายไม่เป็นและตัวสําคัญมันหมายเนี่ยเขาแยกนู้นแยกนี่อย่างชัดเจนนั้นมันก็แตกกระจายกันหระเห็นต่างอันต่างกินเห็นด้งเวทนาก็าสัพว์แต่ว่าเวทนาทุกขนาดไหนก็สัตว์แต่ว่าทุกมันไม่มีความหมายกับตัวของมันเลยแล้วไม่มีความหมายกับเราว่ามันให้ทุกแก่เรา กายไม่สัตว์แต่วกายมนีองั้นตั้งทุกประเภทนี้ยังไม่เกิดทุกประเภทนี้ดับไปแล้วกายมันก็มีจนกว่าจะถึงวันดับสลายทั้งมันจิตมันมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนี้ไม่เกิดทุกจิตมันก็มีอยู่นี่ทุกอันนั้นดับไปแล้วจิตมันมีอยู่นี่มันจะเรียนแยกกันได้อย่างไรมันแยกมันแยกมันหมุนอจนกระทั่งมันเข้าใจได้ทุกสัดทุกส่วนแล้วถึงทุกจะเป็นไฟทั้งกองก็ตามมันไม่สามารถเข้าไปถึงจิตตรงนั้นได้เลยเพียงขั้นปฏิบัตินี้ในขั้นนี้มันก็พอเข้าใจจไดด้ชัเ เหตุได้ขั้นละเอียดสุดเอแล้วว่าสุดสมมติแล้วจิดดวงไหนของพระอรหันต์ที่จะหาเสวยทุกขเวทนาเรากล้าพูดได้อย่างยั่งเลยอย่างนี้จะฟ้าทุกคุณมาเทศน์นี้ผมโอสะดุดใจปังเลยไม่พูดเขราท่านเก็ดีริวาท่านก็พูดไปตามนั้นรณะพระพุทธเจ้ากเสวยทุกขเวทนา่ผมฟังอยู่นี่ือุคุณ อาจจะพลาดะบบนีเห็นได้อย่างนักสนนั่งพานนรลากพระาติเงี้ยพระสัง่งพระนรินตั้หน้ามาต่อยท่านก็เป็นทุกท่านต้โทุกนี้นมันสุปตั้งเงยเช่นเดียวกับว่านิพพานเป็นอน้าตาแบบมันสะดุดเข้าๆไรับสังพระนร น, นมาตักงหน้าก็พูดเราจะพูดให้เห็นได้อย่างชัดเจนอย่างนักปฏิบัติอย่างนังนกรู้ เรื่องธาตุเรื่องขันเรื่องจิตโดยรอบขอบคิดแล้วนั้นนะ่ะอานนท์ขันนี่มันกําลังจะสลายตัวของมันมันกําลังบีบบังคับซึ่งกันและกันอยู่โดยหลักธรรมชาติของมันโดยไม่รู้ข้อหมายกันแล้วกันอืแล้วมันบกพร่องมันต้องการน้ํามันต้องการพักเาพักท่านพาติให้ขันอยู่มันพักบ้างอนนท์ข้อหมายว่าอย่างนั้นตัวตถาคตเองคือความมืดสุดไปเกี่ยวข้องกันได้อย่างไร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี่ว่ะมันทัดอย่างนี้มันเป็นเรื่องของขันท่านก็พูด ต, ตถาลาตถาโพธิโกะก็พูดตามขั้นสมมุตินี่ว่ะตถาโพธิดเดือนหน้าตถาโพธนี่มันเพียะบอกให้าหนุนหน้าสังคาตีมันจะพักนะเพอยะวิสุดที่ทำเทียะอะไรอย่างเงี้ยเไม่ชัดๆนี จิตพระหันดวงไหนองค์ไหนที่จะมาสวยทุบเลยขนาดบรรลุเข้าไปดูซิคำนี้มันก็ประจากษ์เองพูดเฉยๆไม่ประจาก น, นั้นถึงจิตเจ้ของเลสามโลกธาตุมาพูดให้มันเองไปด้วยไม่มีทางว่างั้นก็มันรู้อยู่ที่จิตรประจกักวิอที่จิจบริสุทธิ์อยู่ที่จิจนี้แล้วอะไร ความทุกในโลกกระทำ น, นี่ที่จะเข้ามาบีบบังคับจิตนี้ให้เอ็นไปตามเป็นแต่ไม่ได้เลยเพราะสิ่งนะั้นเป็นสมมุติทั้งมวลอันนี้ไม่ใช่ฐานะที่จะเข้ากับสมมุติได้แล้วตั้งแต่คณะที่ตัดขาดจากกันลงถึงความรู้สึกแล้วเท่า น, นั้นเองมันยืนตัวเลยเป็นทุกข์เพว่าโอ้ทุกข์นั้นเจะมั้นเป็นหนูว่าไบ้เฉย ธ ร, รมชาตินมีนเอนียเอ่งาว่าบอมันมีเียดันวนีอ่าอว่าไปตามเรื่องนั้นเราอย่างที่วัตถาพุทออนที่อาทราชาก็แบบเดียวกันาานั่นมันจะทุุนตัวอะไรกนนมนยนามันก็สมมุติอันนี้จางทุขังหน้าต่างเงี้ยสมมรูปัง อนัตตาเวานานัตตาสัญงอย่างตาตั้งค่ารานัตตาวิญญาณอนักตาเนี่ยเบอกอยู่แล้วมันเป็นอนตามันเป็นสมมติทั้งหมดอีกที่บริสุทิ์แล้วเป็นสมมติไดาหา้หมดตอนสำคัญตอนมันกินในเจ้าของแล้วโอ้ยใครจะมาโกโก็มาเถอะสามย ก, สายกยมมก ร, ระชากก็ไม่วหวถึงต้องว่าสามที่คิดโกมันจะจับใจอยู่กับผู้ปจิบัติ ถ้าเปลี่ยนแปลงให้เป็นอื่นได้ยังไงสามโอกธาตุจะมีแต่สมมุติหนิมันจะมาแบบเดียวกันหมดจะไปหลงกลมายามันแบบไหนมันก็แบบสมมุติทั้งมวลอันนี้มันเป็นยิ่มุดหนิมันจะมาแบบไหนก็คือแบบสมมุติเพราะฉะนั้นมันจะเอาคําหวั่นมาให้จิตดวงนี้ได้ยังไงดวงนี้ไม่ใช่สมมุติพอที่จะเข้ากันได้ไปหวั่นกันได้แต่หลงกลของสมมุติได้หรือเปลว่ามันถึงใจ อย่จึงอยงกล้าพูดว่าพระอรหันท่านน่ะถ้าจะพูดตามหลักธรรมชาติเลยนะไม่เกี่ยวกับพูดหนึ่งผู้ใด้ภายนอกเลยนี่ความตายกับความเป็นอยู่ของท่านมีน้ําหนักเท่ากันนั่นแหละวางอยู่ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่กว่ากันความตายก็เป็นสภาพธรรมอันหนึ่งเปงคติธรรมชาติธรรมดาที่เรียนจบแล้วปล่อยวางแล้วอันหนึ่งนั้นความเป็นอยู่ก็ เป็นสภาพธรรมเนีที่เยียนจบแล้วเป็นแต่เคียงว่ารับผิดชอบพอถึงการของมันเท่านั้น mm hmm. เหมือนกันแล้วท่านไม่ได้มาหวางังเอามาขนลอุพานอะไรชาขันอันนี้ต่อไปอีกแล้ว่ mm hmm. วานจะหวังอะไรท่านจะเป็นหนักนเนื้อแบบผมดีไ mm hmm. ม่ดีถ้าหาเราจะแยกไปอีกนะก็ฮาราวเวปันจักขันทายเป็นแสนกังวลเรื่อง เ, อเป็นแสนความรับผิดชอบลําบาก เกลียดุ่มกับมันต่อซะดีสบายนี่ท่านจะไปช่องนี้จะได้แต่ท่านก็ไม่ไปท่นก็ไม่ไปก็เรียนก็รู้แล้วนี่มันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วแต่ตตตไหนแต่ไรมันก็เป็นอย่างนี้แล้วทีมาตื่นอะไอย่างนี้ว่ามันลําคาหรือว่ามันอ้วนอะไรอย่างนี้แต่ก่อนมันก็อ้วนอยู่แล้วนี่ก็รู้มันมาแล้วตื่นมา อ, าอีนแ่จะดูไปตากระเพาะเสียท่านไม่ออกช่องนี้อท่านนี่หาว่า าาพิจนาถึงเรื่องประโยชน์ที่จะทําให้แก่โลกประชาชนทูม่มาเกี่ยวข้องยังนี้เปิดรัรับประโยชน์จากท่านอยู่ท่านจึงถือเอานั้นแหละเป็นน้ําหนักมากขึ้นความเป็นอยู่ดีมีน้ําหนักมากกว่าความตายไปท่านก็มอบเหตผลให้กับความเป็นอยู่เสียความเป็นอยู่ดีคนอื่นได้รับผลประโยชน์ตัวจนกระทั่งถึงวันอวสาน พอตายไปเสียผู้คนจะรับประโยชน์ในขณะที่ท่านยัมีทีว อ, อยู่ก็ขาดตายเนี่ยท่านก็เอานั้นมาเป็นเหตุเป็นผลแล้วก็การอยู่มีน้ำหนักมากกว่าการตายตายี่เท่านั้นด้วยเหตุผลท่านั้นไม่ใช่ด้วยการติดฮ่าฮ่าฮู้ทะนามันนี่มันเล่นออกเต็มเต็มันก็จะดทำเอาทำยาอธิบายให้เพือ่อนก่อน